5. ปาติเทสนียกันจำนวนอาบัตในปาติเทสนียการละปาติเทสนียสิกขาบทที่8ถามเพราะภิกษุณีออกปากขอนมเปรี้ยวมาฉันต้องอาบัตเท่าไหร่ตอบเพราะภิกษุณีออกปากขอนมเปรี้ยวมาฉัน ต้องอาบัตสองอย่างคือ 1. รับประเคนด้วยตั้งใจว่าจะฉันต้องอาบัตทุกกฎ 2. ฉันต้องอาบัตปาติเทสนิยะทุกๆคำกลืนเพราะภิกษุณีออกปากขอนมเปรี้ยวมาฉันต้องอาบัตสองอย่างเหล่านี้กตาปติวาระที่สองจบ